ผู้คนได้เตือนมีคนฉลากรก็เตือนไว้ว่าอย่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่าไอการที่มีพาเทหรือศัตรูนี่คอยอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวทัดทานทวงดุลไม่ให้โรมใช้อำนาจเกินขอบเขตนะแต่พอไม่มีตัวทัดทานแล้วนะโรมก็เหลืองอำนาจแล้วก็เสียผู้เสียคนไปเรื่องที่เรามานี่ก็คล้ายๆกับเรื่องที่เมื่อเช้า อาจารย์สุริทธ์เล่านะเรื่องโกเจียงนะแล้วโกเจียงนี่หลังจากที่กลับมาครองเมืองก็พยายามที่จะสะสมรีพนนะเพื่อที่จะแก้แค้นรัดอยู่นะโกเจียงก็อยู่อย่างสมถะนะอยู่แบบเรียบง่ายใกล้ชิดรัษฎรทำนากับรัษฎรนะ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 คนเราถ้าไม่มีศัตรูเสียเลยเนี่ยมันก็ประมาทหรือว่าถ้าไม่มีคนคอยจ้องจับผิดก็อาจจะเหือมเกริมได้แต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูหรือว่ามีคนคอยจ้องจับผิดนะก็ทําให้เรามรำมัดระวังนะไม่ใช้อํานาจเกินขอบเขตหรือว่าไม่ทําตัวให้ผู้คนครหาได้